ชีวิตของพวกเราจะสุขจ ะ, จะเจริญจะทุกข์หรือจะเสื่อมอยู่ที่การกระทำของเรานี่คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือการกระทำต่างๆของเรา ซึ่งมีอยู่สามทางด้วยกันคือทางกายทางวาจาและทางใจเรามีการกระทาอยู่ทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างการกระทาก็มีอยู่สามแบบทำดีเรียกว่าบุญทำไม่ดีเรียกว่าบาปและทำกลางกลาง ที่ไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปผลของการกระทำก็จะเกิดขึ้นที่ใจเป็นความสุขหรือความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือกฎแห่งกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของพวกเราถ้าเราอยากมีความสุขใจ เราก็ต้องทำบุญถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์ใจเราก็อย่าไปทำบาปนี่คือเรื่องของความสุขความทุกข์ของจิตใจของพวกเราที่เป็นความสุขความทุกข์ที่สำคัญกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายเรามีร่างกายและเรามีจิตใจ ความสุขความทุกข์ของร่างกายกับความสุขความทุกข์ของใจนี้ไม่เหมือนกันความสุขทางร่างกายก็คือสุขด้วยลาบยศสรรเสริญความทุกข์ของทางร่างกายก็ทุกข์เพราะการไม่มีความเจริญในทางลาบยศสรรเสริญสุขแต่ความสุข ทางร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นสอมสุขที่อยู่ในโลกนี้พอร่างกายตายไปความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภะก็จะหมดไปแต่ความสุขความทุกข์ทางใจนี้เป็นความสุขความทุกข์ที่ไม่หมดไปกับร่างกาย เราจึงต้องอรู้จักวิธีที่จะอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจาทางร่างกายเราก็ต้องมีราบยศสรรเสริญตามตามอัตภาพคือพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอ ร่างกายต้องการปัจจัยสี่หาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายหาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยให้กับร่างกายร่างกายก็มีความสุขได้ไม่มีความทุกข์ถ้าเราอยากหาความสุขของใจ เราก็ต้องหาด้วยการทําความดีคิดดีพูดดีทําดีถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ทางใจเราก็ต้องไม่ไม่คิดไม่ดีไม่พูดไม่ดีไม่ทําไม่ดีคือไม่ทําบาปไม่พูดในทางบาปไม่คิดในทางบาปแล้ว ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจนี้ ม, มีความสําคัญกว่าการกระทําทางร่างกายหรือร่างกายนี้เราทําอะไรให้กับร่างกายได้ดีมากน้อยเพียงไร หาเงินหาทองหาอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายได้มากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดไปแต่การหาความสุขความเจริญทางใจนี่จะติดไปกับใจจะอยู่กับใจไปต่อหลังจากที่ร่างกายนี่ตายไปแล้ว การทําบุญบุญที่จะบุญที่เราได้ทําไว้มันยังไม่ได้หมดไปกับความตายของร่างกายบุญนี้จะไปกับใจต่อไปจะให้ความสุขกับใจต่อไปเช่นเดียวกับบาปบาปที่ทําไว้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วบาปก็ยังให้ความทุกข์กับใจต่อไป พระบิดาเจ้าจึงทรงสอนให้เราให้ความสำคัญต่อความสุขความเจริญของจิตใจยิ่งกว่าความสุขความเจริญของทางร่างกายความสุขความเจริญของทางร่างกายเป็นของชั่วคราวไม่นานมันก็ต้องหมดไปแต่ความสุขความเจริญของใจนี้ จะอยู่กับใจต่อไปและจะพาให้ใจได้ไปสู่ที่ดีต่อไปเราจึงต้องมาศึกษาเรื่องกรรมกันเรื่องของกฎแห่งกรรมกัน<ม>เพราะเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของความสุขความเจริญของใจเกี่ยวกับความทุกข์กับความเสื่อมเสียของใจ ที่เราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันและจะไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะเรื่องของใจนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเราเห็นแต่ร่างกายเราเห็นแต่สิ่งที่ร่างกายสามารถหามาให้ความสุขกับเราได้แต่ สิ่งที่เราหามาให้กับใจให้ใจเรามีความสุขนี้เราไม่ค่อยเข้าใจกันเราะฉนั้นเราต้องฟังต้องศึกษาเรื่องของกรรมกันคำว่ากรรมนี้เป็นคำกลางๆไม่ได้แปลว่าบาปอย่างที่บางครั้งเราใช้กันบางครั้งเราใช้คำว่ากรรมแทนคำว่าบาป เช่นบุญกรรมความจริงเราหมายคําว่าบุญบาปจะทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วดีหรือชั่วก็คือบุญหรือบาปคำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทำํำส่วนวิบากนี้แปลว่าผลของการกระทําการกระทําของเรานี้จะมีผลตามมาผลเราเรียกว่าวิบาก เือวิบา ก, กรรมนี่คือเรื่องของคำคำว่ากรรมกรรมนี้แปลว่าการกระทาการกระทานี้เราทำอยู่สามทางด้วยกันทางกายเราเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเราเรียกว่าวาจีกรรมทางใจเราเรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมเป็นอย่างไร มโนกรรมก็คือความคิดต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราอันนี้เรียกว่ามาโนกรรมมโนกรรมตัวนี้แหละเป็นตัวริเริ่มเป็นผู้สั่งให้เกิดวจีกรรมและมโนและกายกรรมตามมาเราจะพูดอะไรได้เราต้องคิดก่อนเราจะทําอะไรทางร่างกายได้เราต้องคิดก่อน เช่นวันนี้เราจะมาที่นี่กันเราก็ต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะมาที่นี่พอคิดแล้วเราก็พูดด้วยวาจาเชื่อเชิญ ญ, ญาตพี่น้องที่อยู่ร่วมกันว่าวันนี้มาวัดกันดีไหมอันนี้เรียกว่าวจีกรรมต้องตามมาตั้งตามมโนกรรม มนุกวกรรมนี้เป็นหัวหน้าเป็นเหมือนผู้กํากับวงดนตรีวงดนตรีนี้จะเล่นจะต้องรอให้ผู้กํากับสั่งก่อนพอผู้ความกับสั่งบอกให้ตีกลองคนตีกลองก็ตีกลองผู้กํากับสั่งให้เป่าแต่คนก็จะเป่าแต่มนุกวกรรมนี้เป็นหัวหน้าวงลูกน้องวงก็คือว่าจีกรรม กับกายกรรมอพอเราคิดแล้วเราก็พูดแล้วเราก็ทำตามที่เราพูดเช่นเราคิดว่าวันนี้จะมาวัดเราก็ชวนญาติพี่น้องกันด้วยว่าจกรกมเมื่อเราชวนเสร็จแล้วพอถึงเวลาเราก็ออกเดินทางมาที่วัดกันมาทำบุญกัน อ, อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นกรรมดีคือเป็นการทำ ทำบุญการทำบุญนี้แปลว่าอย่างไรบุญก็คือการกระทำที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นไม่เกิดไม่เกิดทโทษแก่ผู้อื่นเรียกว่าบุญเช่นเวลาเราใส่บาตร <Yeah. S 1> ก็จะเกิดประโยชน์กับพระสงฆ์ที่รับอาหารจากการให้ของเราจากการใส่บาตรของเราเราทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เราก็เรียกว่าบุญเพราะว่าบุญคือผลที่เกิดขึ้นจากการทําความดีของเราเวลาเราทําบุญทาความดีแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจนี้แปลว่าบุญในทางตรงกันข้ามถ้าเราทําบาปทําไม่ดีคือทำที่ทําให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้อื่นไม่เกิดคุณประโยชน์เกิดความเสียหายเกิดโทษแก่ผู้อื่นเราก็เรียกว่าบาปพอเราทำบาปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาความไม่สบายใจนี้เรียกว่าบาปเป็นผลของการกระทำไม่ดีผลบาปผลบุญผลบาป เกิดขึ้นในใจของเราทันทีไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนถึงจะเกิดบุญและบาปนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เราเริ่มทำทาเสร็จปั๊บก็จะเกิดผลขึ้นมาทันทีแล้วยังมีผลตามมาต่อไปอีกด้วยไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราทำและตอนที่เราตายบุญกับบาปนี้ก็จะส่งผลต่อไป ส่งให้ใจของเราไปดีหรือไปไม่ดีไปสวรรค์หรือไปอบายก็เกิดจากการทําบุญและทําบาปของเราแล้วหลังจากที่เราได้กลับมาเกิดใหม่บุญและบาปที่เราทําก็ยังมีผลต่อจิตใจของเราต่อไปเวลาเรากลับมาเกิดใหม่ถ้าเราทําบุญ เราก็จะมีนิสัยทำบุญติดมาเราก็จะกลับมาทำบุญต่อและบุญที่เราทำไว้เช่นข้าวของเงินทองต่างๆที่เราได้บริจาคไปก็เป็นเหมือนกับเป็นเงินทองที่เราฝากไว้ในธนาคารกลับมาเราก็จะกลับมารับเงินทองที่เราได้ฝากไวเราจะกลับมามีฐานะการเงินการทอง ที่ดีกว่าชาติก่อนในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบาปเรากลับมาเราก็จะต้องกลับมามีเวรมีกรรมตามมาการมาเกิดก็จะเกิดในสภาพที่ต่ำกว่าก่อนไม่ดีกว่าก่อนร่างกายฐานะการเงินการทองของร่างกายก็จะไม่ร่ำไม่รวย จะเกิดมาแล้วยากจนอันนี้คือผลของบุญของบาปที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เราทำกันเลยมีผลของบุญของบาปอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดก็ได้หรือไม่อาจจะเกิดก็ได้ก็คือผลของบุญของบาปที่จะเกิดกับร่างกายของเราเช่นพอเราทาบุญแล้ว เราอาจจะไม่ได้รับรางวัลก็ได้เราอาจจะไม่ได้รับคำชมเชยก็ได้เพราะว่าคนเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราได้ทําความดีเอาไว้หรือถึงแม้เขารู้แต่ถ้าเขาไม่ชอบเราเขาก็อาจจะไม่ให้รางวัลเราก็ได้ไม่ขึ้นเงินเดือนให้เราไม่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับเราก็ได้ อันนี้ไม่ถือว่าเป็นผลของการทําบุญรึกทําบาปทําบาปแล้วอาจจะไม่ไปติดคุกติดตารางก็ได้เพราะว่าอาจจะหลบหนีเจ้าหน้าที่ตารวจได้หรือถูกจับแล้วก็อาจจะใช้เงินทองใช้อะไรทำให้ไม่ต้องไปรับผลบาปคือไม่ต้องไปติดคุกติดตารางก็ได้ อันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของผลของบุญและบาปจริงๆผลอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่แน่นอนอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ดังนั้นเราอย่าไปตั้งเป้าไว้ที่ผลอันนี้เพราะถ้าเราไปตั้งเป้าที่ผลอันนี้แล้วเราจะบางทีเสียใจไม่แน่ใจไม่มั่นใจคิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มี เลียงดำที่มีคนเขาพูดหรือว่าทำทาดีไม่ได้ดีทำาชั่วกับได้ดีมีถมไปอันนี้เรามองที่ผลอันนี้ผลที่จะเกิดกับร่างกายของเราเวลาที่เราทำดีหรือทำไม่ดีบางทีเราทำดีแสนดีแต่ไม่มีใครเขาเห็นใจเราไม่มีใครเขาสงสารหรือไม่มีใครเขายินดีที่จะ ให้รางวีรางวักับเราแต่คนที่ทำไม่ดีกับมีกับได้ดิบได้ดีก็ถูกใจเจ้านายทำไม่ดีแต่เจ้านายชอบใจเอาอกเอาใจเจ้านายเจ้านายมีอำนาจก็ให้รางวัได้ขึ้นตาแหน่งให้ให้เงินเดือนเพิ่มได้ อันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญนรือทำบาปอันนี้เป็นผลที่ไม่แน่นอนนะอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็อย่าไปกังวลกับผลที่เกิดขึ้นภายนอกใจเราให้ดูที่ผลที่เกิดที่ในใจเราเป็นหลักเวลาเราทำบุญแล้วใจเราเย็นใจเราสุขนี่แหละคือผล เวลาเราทำบาปแล้วใจเราร้อนใจเราไม่สบายอันนี้เป็นผลของบุญและของบาปและเวลาที่เราตายไปอันนี้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะเราไม่มีตาทิพที่จะไปรู้ว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้เราก็ต้องเชื่อคนรู้อย่างพระพุทธเจ้า อย่างพระ อ, อริยสงสาวกท่านก็จะบอกว่าตายไปแล้วร่างกายตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้จะไปต่อไปรับผลบุญผลบาปต่อไปผลบุญผลบาปนี้เป็นอย่างไรตอนที่ตายไปก็ขอให้เราดูตอนที่เรานอนหลับกันแล้วกันเวลาเรานอนหลับนี้ร่างกายก็เหมือนตายไปชั่วคราว ร่างกายนอนเฉยๆแต่ใจเรากลับไปฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจเราฝันดีเราก็มีความสุขถ้าฝันร้ายเราก็มีความทุกข์อันนี้แหละที่ท่านบอกว่าเป็นผลของบุญและของบาปเพราะว่าฝันดีนี้เกิดจากการทำดีนี้เองฝันร้ายฝันไม่ดีเกิดจากการทำบาป ทำไม่ดีออันนี้เราจะดูเปรียบเทียบได้ว่าหลังจากที่เวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วจิตของเราก็อยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับดีๆนี่เองแล้วเราก็จะฝันดีฝันร้ายไปตามอํานาจของบุญของบาปที่เราทําเอาไว้อถ้าเราทําบาปเราก็จะฝันร้าย ความฝันร้ายนี้ก็มีอยู่สามรูปแบบฝันแบบหิวโหยฝันแบบอดอยากขาดแคลนทุกข์ยากลำบากฝันแบบชีวิตของคนขอทานอันนี้ก็เรียกว่าเปรตถ้าฝันแบบมีแต่เรื่องหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวไปอยู่ที่มีแต่ภัยรอบด้านต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าอาสูรกาย หรือฝันที่มีแต่ความรุ่มร้อนที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาทต้องคอยตามจองเวรจองกรรมคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆอันนี้เราก็เรียกว่านาโรกเยนี่คือสภาพของจิตที่ถูกบาปดึงไป ก, ก็เรียกว่าอบายอบายมีส ม, มีสมโดย สามส่วนที่ไม่มีร่างกายคือเปรตอสูรละกายละนาลกอีกส่วนหนึ่งของอบายนี้มีร่างกายก็คือเดลฉานทําบาปด้วยความหลงไายไปก็จะไปเป็นเดลฉานไม่เกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆถ้าทําบาปด้วยความโลภความอยากได้ก็จะไป อยู่เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวกับเรื่องราวต่างๆถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความรุ่มร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทกรธเกลียดเคียดแก้นอันนี้คือผลของบาปที่จะ ส่งผลตอนที่เราตายไปแล้วหรือตอนที่เรานอนหลับนอนหลับนี่เวลาเราฝันนี้จึงถือว่าเป็นเหมือนหนังตัวอย่างมันจะบอกว่าเวลาที่เราตายไปเราจะไปดีหรือไปไม่ดีถ้าเราฝันร้ายอยู่เรื่อยๆแสดงว่าตเวลาเราตายไปเราจะไปไม่ดีถ้าเราฝันดีเราก็จะไปดีเอ การฝันดีคือฝันแบบมีความสุขฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้ไปกินได้ไปดื่มได้ไปรับประทานได้ไปดูไปฟังอะไรที่สนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงบันเทิงใจอันนี้เรียกว่าฝันดีฝันดีนี่เวลาตายไปเราเรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆนี่อันนี้เราอาจจะไม่รู้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ เพราะเรายัางไม่มีตาทิพย์เรายัางไม่มีดวงตาเห็นธรรมเราก็ต้องเชื่อพวกที่เขามีตาทิพย์มีดวงตาเห็นธรรมกันคือต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกเพราะท่านเหล่านี้ท่านเปิดตาทิพย์ของด้านได้แล้วท่านปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบได้ท่านก็จะมีตาทิพย์ขึ้นมา จะเห็นดวงจิตดวงใจของพวกเราว่าอยู่ในสภาพไหนอยู่ในสภาพที่ดีหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ดี น, นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของความสุขความเจริญเรืองความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจของพวกเราที่พวกเราตกอยู่ในห้วงของกฎแห่งกรรมนี้ะ จิตใจของเรานี่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในสภาพต่างๆก็เพราะการทําบุญและทําบาบนี่เองถ้าเราทําบุญเราก็จะไปอยู่ในสภาพที่ดีจิตใจจะมีแต่ความเย็นความสุขความสบายถ้าทําบาปจิตใจของเราก็จะอยู่ในสภาพของความทุกข์ของความรุ่มร้อนะ ของความไม่สบายต่างๆและสาเหตุที่ทําให้พวกเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เกิดจากมโนกรรมอีกชนิดหนึ่งมโนกรรมชนิดนี้เรียกว่าความอยากตัณหาตัณหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่ากามตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็น อยากล้ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากง า, ามอันนี้เรียกว่าการภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาคือความอยากไม right ่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่เจอกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย อันนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาตัณหาทั้งสามนี้ความอยากทั้งสามชนิดนี้เป็นเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันมาทำบุญมาทำบาปกันถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมายุติที่ตัณหาทั้งสามนี้ การที่เราจะยุติตันหาทั้งสามนี้ได้เราก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์คอยสอนเราถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เราจะไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้เราหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างที่เรากําลังเป็นอยู่กันในขณะนี้ ชาตินี้ที่เรามาเกิดกันก็เพราะเรามีความอยากาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันอยากได้ความเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขกันอยากไม่อยากไม่สูญอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขที่เราได้มากันจึงพาให้เรากลับมาหาลาบยศสรรเสริญ กลับมาหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่เรื่อยวิธีที่จะหาสิ่งเหล่านี้เราต้องมีร่างกายกันถ้าไม่มีร่างกายถ้าเราไม่ได้มาเกิดเราก็จะไม่สามารถมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราจะไม่สามารถหาราบยศสรรเสริญกันได้นี่แหละคือสาเหตุ ท, ที่ทำให้เราต้องมามีร่างกายกัน พอมีร่างกายแล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้พาให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันการหาความสุขบางทีเราก็หาได้อย่างง่ายดายเราก็ไม่ต้องทำบาปกันบางทีเราก็หาไม่ได้อย่างง่ายดายเราก็ต้องไปทำบาปกันถึงจะหาความสุขได้เช่นบางทีเราเกิดมาแล้วเราโชคดี หาเงินหาทองได้ง่ายได้พอเรามีเงินมีทองเราอยากไปเที่ยวเราก็ใช้เงินทองไปเที่ยวได้เราอยากจะซื้ออะไรอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะดื่มอะไรเราก็ใช้เงินทองซื้อได้แต่บางเวลาถ้าเงินทองหมดหรือเงินทองไม่พอใช้แต่เรายังอยากใช้เงินทองอยู่ เวลานั้นก็อาจจะทำให้เราต้องไปทำบาป ก, กันอั น, นี้คือเหตุว่าทาไมบางทีเราต้องมาทำบาป ก, กันแล้วบางทีถ้าเราหาเงินได้มากกว่าที่เราจะใช้ได้เราก็เอาไปทำบุญกันอันนี้ก็คือเรื่องของการมาเกิดพอมาเกิดแล้วเราก็จะมาหาความสุขผ่านทางร่างกายกันหาความสุข ด้วยการหาเงินหาทองกันถ้าหาเงินหาทองเก่งโชคดีหาได้มากก็ไม่ต้องไปทำบาปถ้าหาได้น้อยไม่พอใช้ก็มักจะไปทำบาปกันถ้าหาได้มากก็มีแบ่งให้คนอื่นใช้ก็เรียกว่าได้ทำบุญกันชีวิตของเราจึงสลับไปสลับมากับการทำบุญกับการทำบาป แล้วแต่เหตุการณ์ที่เราจะไปตกอยู่ในวเวลานั้นบางทีเราโชคดีไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ดีทำงานหากินเงินทองไหลมาเทมาเราก็เลยไม่ต้องไปทำบาปเรามีแล้วก็มีโอกาสได้ทำบุญแต่บางเวลาเราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่หาเงินยากเงินทองไม่พอใช้ เราก็อาจจะต้องอาศัยการทำบาปเพื่อช่วยให้เราหาเงินทองมาเพิ่มได้เพราะการทำบาปนี้จะทำให้หาเงินทองได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าได้มากกว่านั่นเองเออนี่คือเรื่องของดวงจิตดวงใจของพวกเราที่มาเวียนว่ายตายเกิดกันก็เพราะอานาจของตันหาความอยากสมข้อนี้ความอยากในกาม เรียกว่ากามตัณหาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากในลาบยศจัลเสญอยากได้สิ่งที่ดีๆทั้งหลายเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเรียกว่าวิภวะตัณหาถ้าเราต้องการที่จะหยุดการมาเกิดหยุดมาทำบุญมาทำบาปหยุดการเวียนว่ายตายเกิด เราต้องไปหยุดที่ตัวสามตัวนี้ตัวความอยากสามตัวนี้หยุดที่กามะตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาและการจะหยุดกามะตัญหาภวะตัญหาและวิภวะตัญหาได้เราต้องมีคนสอนคนที่จะสอนเราได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าไปเรียนกับคนอื่นนี้เขาจะไม่รู้จักวิธีที่จะหยุด ความอยากทั้งสามประการนี้ได้เราจึงต้องรอโอกาสมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีใครรู้ว่าเรามาเวียนว่ายตายเกิดเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แล้วจะไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน ทุกคนก็จะมุ่งไปสู่การทำตามความอยากกันพอมาเกิดทุกคนก็จะมุ่งไปสู่การหาเงินหาทองหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันจะไม่มีใครสนใจที่จะมาะศึกษาค้นคว้าว่าเรามาเกิดได้อย่างไรและเราจะหยุดการเกิดได้อย่างไรอันนี้ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คือมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะมีคนที่รู้เรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดของเราว่ามาได้อย่างไรและจะหยุดมันได้อย่างไรเรา แ, และจะรู้ว่าเรื่องของการทําบุญทำบาปของเราว่ามีผลอย่างไรต่อจิตใจของเราเออนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เรา อยู่ภายใต้กฎนี้กันจะพ้นจากกฎแห่งกรรมนี้ได้เราก็ต้องหยุดมาเกิดกันเท่านั้นถ้าตราบใดเรายังมาเกิดกันอยู่เราก็อยามาทำบุญสลับกับการทาบาปไปแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์พาไปบางทีโอกาสเหตุการณ์ก็พาให้เราทำบุญบางทีโอกาสเหตุการณ์ก็พาให้เราทำบาป อย่างในชีวิตของเราลองทบทวนดูว่าเราทำบาปกันบ้างหรือเปล่าเราทำบุญกันบ้างหรือเปล่าเคยพิจารณาดูบ้างหรือเปล่าว่าทาไมเราต้องทาบาปกันทาไมเราต้องทาบุญกันก็เกิดจากความอยากของเรานี่แหละบางทีเราอยากได้อะไรเราได้โดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้เราก็เลยต้องเลือกเอาวิธีทำบาปเราถึงจะได้ บางทีเราอยากได้อะไรบางทีเราก็ต้องโกหกถึงจะได้ถ้าไม่โกหกก็ไม่ได้บางทีต้องโกงถึงจะได้ถ้าไม่โกงก็ไม่ได้แล้วเราทำไมต้องโกงทาไมเราต้องโกหกก็เพราะเราอยากได้นั่นเองเรามีภาวะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตยกตัวอย่างต่อไปก็จะมีการเลือกตั้ง เลือกตั้งเขาก็มีกฎระเบียบว่าห้ามซื้อเสียงห้ามขายเสียงการซื้อเสียงขายเสียงก็ถือว่าบาปผิดผิดกฎกฎติกาอการทําผิดกฎระเบียบของสังคมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบาปแต่เราอยากจะเป็นสอนถ้าไม่ซื้อเสียงก็จะไม่ได้เป็นก็ต้องซื้อก็ยอมทําบาปกันอันนี้ก็ แล้วก็มาเอาเงินคืนทีหลังพอเราเป็นสอสอเราก็มีโอกาสที่จะคอร์รัปชันได้เราก็เอาเงินเราก็จะได้เอาเงินจากคอร์รัปชันมาใช้ที่เรามาใช้กับเงินที่เราใช้กับการซื้อเสียงไปถ้าเราไม่อยากเป็นสอสอเราก็ไม่ต้องมาทำบาปกันไม่ต้องมาคอร์รัปชันกันอันนี้ยกตัวอย่างว่าการทำบาปของพวกเรานี้ เกิดจากความอยากของพวกเรากันอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปที่นั่นอยากมาที่นี่มันมีค่าใช้จ่ายต้องมีเงินทองและเวลาไม่มีเงินทองเราก็ต้องไปหาเงินทองมาโดยการทําบาป ก, กันแต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้ ก็เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำบาปไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยู่แบบไม่ได้ไปอยู่แบบขอทานไปขอทานก็ถึงแม้เป็นขอทานก็ยังดีขอทานยังไม่ทำบาปขอทานเพียงแต่นันน่งขอทานการขอทานนี้ไม่เป็นบาปการไปขโมยเงินทองนะถึงจะเป็นบาปอ่นี่คือ เรื่อของจิตใจของพวกเราที่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันมามีร่างกายกันแล้วก็มาทําบุญทําบาปกันแล้วพอเวลาตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปกันแล้วพอได้ร่างกายอันใหม่ก็กลับมาทําบุญทําบาปกันใหม่เราทําอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องนับไม่ถ้วน จำนวนของการเกิดแก่เจ็บตายของเรามีมากพระพุทธเจ้าบอกว่าจะให้เขียนด้วยตัวเลขนี้เขียนไม่เขียนไม่ได้มันมากเกินไปที่จะเขียนถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกี่ครั้งก็ให้เราเอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดนี่มารวบรวมกันไว้ ชาตินี้เราร้องไห้ในน้ำตาถึงถ้วยหนึ่งหรือยังถึงแก้วหนึ่งหรือยังสมมติว่าเราชาตินี้มาเกิดเราร้องไห้ได้น้ำตามาหนึ่งถ้วยกาแฟแล้วท่านบอกว่าเอาน้าตาที่เราได้หลังในแต่ละพบแต่ละชาตินี่มารวมกันแล้วมันจะมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คือจํานวนของการของพบชาติของการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กัน เรามาเกิดกันมากแล้วเราก็มาร้องห่มร้องไห้กันเพราะว่าเวลาเราเกิดแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันต้องพัดพากจากกันพอเวลาต้องพัดพากจากกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายจะมีแต่การร้องห่มร้องไห้กันนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิด ไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายกันแต่ก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายกันเพราะอยากมาเกิดกันนั่นเองอยากจะมาหาความสุขผ่านทางร่างกายก็เลยทำให้เรามาเกิดกันแล้วการมาเกิดของเรานี้เราไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าเรามาเกิดได้อย่างไร เรารู้เพียงอย่างเดียวว่าพอเราเกิดแล้วเราต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายกันเราต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถาพกันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งวิธีทำบาปก็ได้วิธีไม่ทำบาปก็ได้พอเวลาเราเกิดความอยากหาความสุขแล้วถ้าหาไม่ได้นี้เราจะรู้สึกทรมานใจเป็นอย่างยิ่ง เราก็เลยต้องดิ้นลนกันทำบาปกันนี่คือปัญหาของพวกเราปัญหาแรกคือเราไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าเรามาเกิดกันกี่ครั้งแล้วเกิดกันแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดกันน้าการไม่กลับมาเกิดนี้จะดีไม่ดีเราก็ไม่รู้อีก เราจึงไม่ค่อยสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้เรายอมทนกับความทุกข์ที่จะตามมาเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตายกันเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอตายแล้วมันก็จบแต่ไม่ไม่จบเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาเจอความทุกข์อย่างที่พวกเรากำลังเจอกันอยู่ในขณะนี้ เราต้องรอมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านจะมาสอนมาบอกสถานภาพของพวกเราว่าเราเป็นอะไรกันแน่และการเป็นของเรานี้ดีหรือไม่ดีเราเป็นดวงจิตดวงใจที่มามาเกิดมามารับร่างกายจากพ่อแม่ของเราแล้วเราก็เอาร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆ แต่ความสุขที่เราได้นะั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่เราได้จากการมาเกิดนอกจากความสุขแล้วเราก็ได้ความทุกข์ควบคู่มาด้วยเพราะความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปเรื่อหมดไปพอมันหมดไปมันก็ทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เราลากไปเป็นอย่างไร เสียอกเสียใจกันล้องหม่มร้องไห้กันแต่เราก็ไม่เข็ดพอเสียไปเดี๋ยวเราก็ไปหาใหม่มาเพราะเราอยู่โดยที่ไม่มีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราไม่ได้เราก็เลยต้องดิ้นรนหาความสุขจากสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆหาได้มากได้น้อยเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดภากจากกันอันนี้คือสถานภาพของพวกเรา พวกเรามาเกิดเพื่อมาหาความสุขแต่ความสุขในโลกนี้มันมีความทุกข์พ่วงมาด้วยเรามาหาความทุกข์ด้วยนี่คือการมาเกิดของพวกเราเราคิดว่าเรามาหาความสุขกันแต่ความจริงเราได้ความทุกข์มากกว่าได้ความสุขแต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเราเป็นเหมือนเหมือนตกกระไดพลอยโจนครับมามาเกิดแล้วก็ต้องดิ้นร น, นกันไป พยายามหาความสุขให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้หาได้มากน้อยเท่าไรเดี๋ยวก็ต้องเจอความทุกข์ตามมาต่อไปอันนี้ก็เป็นปัญหาของพวกเราที่เราจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะสอนให้พวกเรามายุติความอยากกันยุติการเกิดแก่เจ็บตายกันด้วยการทำ บุญด้วยการละ บ, บาปด้วยการปฏิบัติธรรมให้เรามาทำสามข้อนี้คือให้เราทําบุญเพื่อเราจะได้มีความสุขให้เราละ บ, บาปเพื่อเราจะได้ไม่มีความทุกข์แล้วให้เรามาชําระความอยากให้หมดไปจากใจด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาด้วยการเจริญสมาธิเจริญปัญญากัน นี่และคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนานี้เราจะเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆกลับมาเกิดกลับมาหาความสุขแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้เวลาที่เราต้องพัดภาคจากสิ่งต่างๆไปแล้วตายไปเราก็จะไปรับผลบุญผลบาปหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเกิดใหม่ แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพูธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะสอนให้เรามาทําบุญกันเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกายกันเอาไปทําบุญแทนจะได้ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแล้วให้เราละบาปกันอย่าทําบาปกันแล้วให้เรามาปฏิบัติธรรมกันมาหัดนั่งสมาธิมาใช้ปัญญาสอนใจ ไม่ให้ไปทำตามความอยากต่างๆถ้าเราทำได้แล้วจิตใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาคือได้รู้จักวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดและจะได้การหยุดเวียนว่ายตายเกิดนี้จะทำให้เราได้รับรางวัลที่หนึ่งคือได้รับความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา คือความสุขของพระนิพพานคำว่านิพพานก็คือจิตที่ไม่ต้องจิตที่ไม่มีความอยากแล้วจิตที่ได้รับการชำระจนสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความอยากคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจจิตนี้ไม่ไปเกิดไม่ต้องม่มีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีทุกข์ตามมาจิตก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์อันนี้เราก็ต้องเชื่อและปฏิบัติตามพยายามทำบุญทําทานอยู่เรื่อยๆ เ, เอาเงินทองที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มมาทําบุญดีกว่าแล้วก็รักษาศีลอย่าทําบาปแล้วก็ไปฝึกจิตไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบ เราก็ใช้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะสอนให้เราอย่าทำตามความอยากกันต้องหยุดความอยากความอยากจะหมดก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากถ้าเราทำตามความอยากมันจะไม่หมดนี่แหละคือเรื่องของความสุขความทุกข์ของจิตใจของพวกเราที่พวกเราจะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกัน จนกว่าเราจะได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงขอให้ท่านจงเอาคำสอนเหล่านี้ไปพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะได้พบแต่ความสุขที่ถาวรที่เจริญที่ที่ยั่งยืนต่อไปการแสดงก็พอสมควรกับเวลาเพราะวันนี้ฝนฟ้าจะตกอีกแล้วอยาขออนุโมท น, นาให้พร ยาถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทิน ah ังเปตานังอุปกะปติอิท an ิตังปัติต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัเพปุเรนตุส so ังกปาจันโทปนาระโสยาถามณิโชติ อะราโสยะธาสพิตโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัตนาสีลิสานิจังวุธาปัจายโนจตารโอธรรมวทาติอายุวันโอสุขัง พาลงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามเชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามด้วยตัวเองก็มารับไมโครโฟนไปถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองจะเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมดสามร้อยแปดคน y o u t u หนึ่งร้อยสาสิบแปดคนวิทยุออนไลน์ยี่สิบเอ็ดคนพูดละฟังบนเขาเก้าสิบสามคนรวมทั้งหมด5้าร้อยหกสิบคนครับผมถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยนะมีคำถามจากคุณเปิมดีพงนะคะพระอาจารย์คะตอนหนูเกิดอุบัติเหตุ สลบไปเดือนครึ่งแล้วฝันว่าได้ขึ้นไปบนสวรรค์แต่มีเทพบอกว่านี่ไม่ใช่ที่วิ่งเล่นของเด็กไม่ได้แปลว่าเขาไม่ยอมรับแต่มันยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะก็เราก็กลับมาไม่ใช่เลยก็แสดงว่าเขาบอกยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาเขากองจะต้อนรับเราแล้ว คำถามต่อไปแม่ชีศีลแปดไม่เหมือนพระที่ต้องบิณฑบาตใช่ไหมคะถ้าหนูยังเดินเองไม่ได้ต้องใช้ไม้เทา้าก็บวชชีได้ใช่ไหมคะมีพระอุปชารูปหนึ่งไม่บวชให้คือการบวชชีนี้ก็เป็นเพียงแต่เป็นการถือศีลแปดศีลศลสิบเท่านั้นเอง อพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นพระไม่ได้มีกิจวัตรเหมือนพระแม่ชีก็ต้องถ้าอยู่วัดก็ทางวัดก็บางวัดเขาก็จะดูแลเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยให้บางวัดเขาก็ไม่มีปัญญาก็ต้องหากินเราเองแล้วแต่ว่าวัดที่เราไปอยู่นั้นเป็นวัดแบบไหนถ้าวัดที่มีศรัทธาญาติโยมทําบุญกันเยอะ มีอาหารเหลือเฟือก็แบ่งให้แม่ชีได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องหากินกันเอาเองแต่ก็ปฏิบัติเหมือนกับพระได้คือนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเดินจงกรมกำจัดความอยากต่างๆได้เหมือนกันือคำถามต่อไปจากคุณจินกราบขอขามาพ่อแม่ครูอาจารย์ครับ ใจเป็นเราไหมครับใจมันทุกข์ครับก็เราเนี่ยแหละเป็นใจเรามาจากใจใจเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาโดยความคิดว่าเราเป็นว่าเป็นเราท่านเองแต่ความจริงใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่สร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยการคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเกิดคิดดีก็เกิดความสุขใจคิดดีคิดอย่างไรก็คิดไม่อยากนั่นเองคิดเวลาคิดอยากแล้วมันจะทุกข์อยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วพอมันไม่ได้มันจะเครียดแต่ถ้าคิดว่าไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีใจก็จะไม่ทุกข์การจะคิดไม่อยากได้ต้องทําใจให้สงบเท่านั้นต้องฝึกสมาธิต้องฝึกสติ ถ้ามีสติก็จะมีสมาธิมีสมาธิใจก็จะนิ่งจะสงบจะอิ่มจะมีความสุขจะไม่มีความอยากดังนั้นเราต้องมาฝึกสติกันมาฝึกสมาธิกันเพื่อใจของเราจะได้ไม่อยากกันพอไม่อยากแล้วเราจะไม่เครียดเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเราจะมีความสุขตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีอะไร คำถามต่อไปจากคุณอ้อเวลาทําสมาธิภาวนาพุโทโธไปสักพักมีความรู้สึกว่าตัวเองกั้นลมหายใจคือเหมือนลมหายใจหายไปค่ะทําให้สติหลุดจากสมาธิตลอดเลยจะแก้อย่างไรคะ ไ, ไหนถามใหม่อีกทีได้ความเข้าใจเวลาทําสมาธิภาวนาพุโทโธไปสักพัก มีความรู้สึกว่าตัวเองกั้นลมหายใจตลอดคือเหมือนลมหายใจหายไปค่ะทำให้สติหลุดจากสมาธิตลอดเลยจะแก้ไขอย่างไรคะ อ, อ๋อถ้าเราใช้พุโทโธก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมให้อยู่กับความบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวลมจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปสนใจเหมือนตอนนี้เรานั่งคุยกันนี่เราก็ไม่ไปสนใจกับลมลมจะเป็นยังไงก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ความรู้สึกของลมกับความเป็นจริงของลมนี้มันไม่เหมือนกันบางทีใจเราไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองงั้นอย่าไปสนใจใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปเกาะติด ก, กับลมไม่ต้องพุทเข้าโธออกให้นั่งหลับตาแล้วก็อยู่ที่คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปดูลมไม่ต้องไปดูลมดูพุทโธอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณส้มเมื่อไหร่ที่ว่างจะสวดมนต์ในใจบ่อยๆเช่นนั่งรถไฟฟ้าทำบ่อยๆจะทำให้มีความทุกข์ในใจลดลงได้ไหมคะได้เพราะใจเราหยุดคิดเนี่ยความทุกข์ใจเราเกิดจากความคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเรามาอยู่กับบทสวดมนต์แลอยู่กับพุทธโธ เราก็จะลืมเรื่องราวต่างๆไปแต่มันก็จะหยุดชั่วคราวเท่านั้นเองพอเราเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วเกิดขึ้นมาใหม่เราก็ต้องสวดใหม่ไปจนกว่าเราจะรู้จักวิธีใช้ปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถตัดความทุกข์ใจของเราได้เพราะเราจะ เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปยุ่งเกี่ยวดด้วยนี้มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เหตุที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนใจเราว่าต่อไปนี้เราจะไม่ต้องการอะไรไม่ต้องหวังอะไรจากอะไรกับใครเพราะหวังไม่ได้มันไม่แน่นอน เอายินดีตามมีตามเกิดไปมาอย่างไรก็เอาอย่างนั้นไม่มาก็ไม่ว่าจะไปก็ไม่ว่าเพราะเราควบคุมบังคับห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปคำถามต่อไปจากคุณอักษรบุญสุกกราบนามัสการถามเจ้าค่ะนั่งสมาธิไปแล้วะยะหนึ่งมีอาการรับรู้ว่าขาชา แต่ใจไม่รู้สึกกระวนกระวายใจอิ่มใจพอสักพักก็ออกจากสมาธิแล้วเหยียดขาออกมาเจ็บขาและชาขามากเจ้าค่ะถือว่าการปฏิบัตินี้ได้เพียงน้อยนิดนี้ถือว่าได้บุญเรียกว่าบุญจากการภาวนาใช่ไหมเจ้าค่ะก็ได้ความส ง, งบในระดับหนึ่งคือได้อบเบกขาใจเราไม่วุ่นวายไปกับ ความเจ็บปวดของทางร่างกายออก็เป็นเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องควรพยายามทำบ่อยๆทำมากๆออแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็หัดรักษาความเป็นอุเบกขานั่นไว้เวลาเจอความเจ็บทางร่างกายก็ทำใจเฉยๆอย่าไปกลัวมันอย่าไปอยากให้มันหายต้องกล้าหารกาล้ารับกล้าสู้มันจะมามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป ถ้าเราไม่ไปกลัวมันไม่ไปอยากให้มันหายเราจะไม่ทุกข์กับมันคําถามจากคุณคิตตี้กราบเรียนถามท่านพระอาจารย์เพื่อนของลูกทุกใจมากเจ้าค่ะเขาคบกับแฟนมาเกือบสิบปีพ่อแม่อยากเหมือนประมาณว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับแฟนเขาอะค่ะเพื่อนอยากแต่งงานแล้วก็มีลูกเหมือนคนอื่น เขาบอกว่าเขาทรมานมากโทรมาร้องไห้กับหนูหนูจะอยากหนูจะช่วยเพื่อนได้อย่างไรคะประมาณนีก็มีคนอื่นต้องเยอะแยะก็หาคนที่พ่อแม่เขายินดีให้เราแต่งด้วยโดยจะให้คิดอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่าการแต่งงานนี่มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขนะมันสุขตอนต้นเท่านั้นเองตอนได้แต่งกันเดี๋ยวพออยู่กันไปสักพักเดี๋ยวก็อาจจะมีเรื่องมีราวกันได้ หรือเขาอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะทิ้งเราก็ได้พอเขาเราได้พอเขาได้ตแล้วเขาอาจจะเบื่อเราก็ได้ให้คิดแบบนี้แล้วเราก็อาจจะคิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่าที่เราทุกเพราะเราอยากให้อยากได้เขาอยากแต่งงานกับเขาแล้วไม่ได้ตามดังใจอยากตนเองถ้าเราเปลี่ยนใจได้ว่าอ้าตอนนี้ยังแต่งไม่ได้ก็อยู่กันยี้ไปก่อนก็นแล้วกัน เราก็จะหายทุกความทุกเกิดจากความอยากของเราคําถามต่อไปจากคุณสุกายสบายใจกราบนมัสการครับตามหาซื้อพระเครื่องแล้วนําไปขายต่อเอากําไรจะผิดหรือไม่อย่างไรครับ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกพระเครื่องก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งนั่เองที่เราเรียกว่าพุทธพาณิชย์ก็เป็นเหมือนซื้อซื้อน้ําแล้วไปขาย แ ล, ออแล้วก็เอากำไรซื้อของแล้วเราไปขายต่อเราก็เอากำไรก็เป็นสินค้าเหมือนกันไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่อย่างใดคันฐานจากผู้ไม่ประสงค์ออกนานสอนเด็กอายุประมาณสิบเอ็ดสิบสองขวบให้เข้าใจในอริยสัจสีง่ายๆได้อย่างไรคะหนูอ่านหนังสือจุลธรรมนำใจของพระอาจารย์ให้ลูกฟัง สังเกตว่าเขาดูวิตกค่ะอ๋อสำหรับเด็กนี้ถ้าเขายังไม่มีความสามารถก็อย่าเพิ่งไปสอนเขาเลยก็เป็นของที่แม้แต่ผู้ใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วเด็กนี้มันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเด็กที่จะเข้าใจได้ก็อย่าไปกังวลสอนเรื่องที่เด็กเขาเข้าใจง่ายๆดีกว่าเรื่องทําบุญดีกว่า สอนให้เด็กแบ่งของเข้าของเงินทองที่เขาไม่อยู่ให้กับเพื่อนที่เขามีไม่มีบ้างอย่างนี้ดีกว่าแล้วอสอนให้ท้อหยาไปเบียดเบียนอย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนอย่างนี้เป็นเรื่องที่ง่ายกว่า mm hmm. เรื่องอริยสัจสีนี่มันเรื่องระดับปัญญาระดับของผู้ที่มีความฉลาดแหลมคมที่จะเข้าใจหลักของเหตุของผลได้ ล่อไปก่อนบอกแล้วเลยเ อ, อเรื่องของอริยสัจสีนี่มันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันยากความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราเนี่ยเข้าใจไหมอยากได้ขนมแล้วไม่ได้กินขนมแล้วทุกข์ไหมออทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่อยากกินขนมนี้ไม่ได้ขนมก็จะไม่ทุกข์ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างลองสอนลูกดูนะหนูอยากได้ขนมแนละ้วพอหนูไม่ได้หนูรู้สึกยังไงหนูรู้สึกดีใจหรือเสียใจเสียใจก็เรียกว่าทุกข์แล้วทุกข์เพราะว่าอยากได้แล้วไม่ได้แต่ถ้าอยากได้แล้วได้ก็ไม่ทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่ามันมันยังมันยังไ ม, ม, งไม่มันยังไม่ได้เสียสิ่งที่เราได้ไป พอเราเสียสิ่งที่เราได้ไปเราก็จะทุกข์เพราะเราไม่อยากเสียนางทีมันสอนยากเพราะบางทนก็คิดว่าเนี่ยถ้าอยากได้อะไรแล้วได้แล้วก็มีความสุขเขาก็คิดว่านี่ก็คืออริยสัจเหมือนกันแต่แทนที่จะเป็นทุกข์กลับเป็นสุขทาตามความอยากเราจะได้ความสุขอยากได้อะไรพอได้มาก็มีความสุขแต่เพียงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่จะต้องมีวันเปลี่ยนไปหมดไปพอมันไปเปลี่ยนไปหมดไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เช่นเราไปซื้อสินค้าซื้ อ, อมือถือมาเครื่องใหม่ใช้ไปได้สองวันเสียเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยความสุขที่ได้จากเครื่องนั้นก็จะหายไปความเสียใจก็ตามมาไหนจะต้องเอาไปที่ร้านไปให้เขาตรวจไปซักไปเช็คไปซ่อม ถ้าทางร้านเขาปฏิเสธไม่รับความผิดชอบเราก็จะยิ่งเสียใจใหญ่อันนี้นี่คือความทุกข์ที่จะตามมาจากการที่เรามีความอยากได้มือเครื่องมือถือเครื่องใหม่พอไปได้เครื่องที่ไม่ดีเครื่องที่มันเสียเราก็จะวุ่นวายใจเสียใจได้ถ้าได้เครื่องที่ดีก็ใช้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวไม่นานมันก็ต้องเสียอยู่ดีเสียชาเสียเร็วนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรถาวร ใช้ไปได้เรื่อยๆต่อไปมันก็ต้องเสียมอพอมันเก่ามันก็เสียอยู่ดีพอเสียมันก็ทำให้เราใช้ไม่ได้เราก็ไม่เราก็เสียใจเราก็ต้องไปซื้อเครื่องใหม่มาตทดใช้ก็จะเป็นแบบเดิมอีกอันนี้คือต้องเห็นว่าความสุขที่ได้จากความอยากเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปพอหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนที่ าออคาถามจากคุณมัญชลีค่ะอยากทราบว่าการทาหมันสุนัขแมวจรจัดเราบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปทําร้ายเขาเราเพียงแต่ทําให้เขาไม่สามารถมีลูกได้เท่านั้นเองเออไม่ถือว่าเป็นการทําบาปออทําบาปต้องฆ่าต้องลักทรัพย์ต้องประพฤติผิดประเวณี ต้องพูดปลดหรือดิ่มสุรายามาถึงจะเรียกว่าเป็นการกระทำบาปคำถามจากคุณบุญศรีกราบนมัสการพระอาจารย์ยมทำงานไปด้วยนั่งยืนเดินกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้บุญใหม่เจ้าค่ะสาธุค่ะทำงานไปด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยเลยมันก็จะทำแบบไม่ได้เต็มที่อย่างใดอย่างหนึ่งงานก็ไม่เต็มที่ ภาวนาก็ไม่ได้เต็มที่ได้อย่างละห้าสิบห้าสิบทางที่ดีก็จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าเวลาทำงานก็ตั้งใจทำงานไปถ้าอยากจะภาวนาก็รอเวลาที่เราว่างไม่ต้องทำงานแล้วก็มานั่งภาวนาจะได้บุญเต็มที่ถ้าทำสองอย่างมันจะได้ครึ่งขึ้งกลางๆลา คำถามต่อไปจากคุณมามาตุม๋มมามาตุม๋มกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะอยากให้พระอาจารย์สอนวิธีที่จะได้รางวัลที่หนึ่งขอบพระคุณพระอาจารย์และแอดมินค่ะอ๋อรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานถ้าอยากจะได้เร็วก็ต้องไปบวชบวชแล้วก็ปฏิบัติตามพระสูตรคือสติปัฏฐานสูตร ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็มีเวลาว่างก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกให้จิตสงบเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาพอออกจากสมาธิมาให้พิจารนร่างกายว่าร่างกายนี้มีอาการสามสิบสองไม่สวยไม่งามร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตน เพื่อจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายได้ก็ให้ไปพิจารณาเวทนาคือความรู้สึกที่มาทางร่างกายว่ามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์ที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวเราก็จะทุกข์เวลามันไม่สุขหรือเวลามันทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องให้มัน ปล่อยให้มันมาตามเรื่องของมันสุขจะมาก็ปล่อยมันมาทุกข์จะมาก็ปล่อยมันมาไม่สุขไม่ทุกข์มาก็ปล่อยให้มันมาแล้วเวลามันจะไปก็ปล่อยให้มันไปเราก็จะไม่ไปทุกข์กับเวทนาแล้วเราก็มาพิจารณาเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราในจิตเราอารมณ์ของเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาห ง, งุดหงิดบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเศอรอ้าบ้าง ซึมบ้างเครียดบ้างอันนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะไปอยากให้มันไม่มาก็ไม่ได้เวลามันมาก็ปล่อยมันมาเวลามันไปจะอยากให้มันกลับมาก็ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก็เหมือนกับเวทนาถ้าเราปล่อยวางจิตได้ปล่อยอารมณ์ในจิตได้เราก็จะได้รับรางวัลที่หนึ่งปล่อยกายปล่อยเวทนาปล่อยจิตได้ ทำใจให้รู้เฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งข้างนอกและข้างในข้างนอกใจก็คือที่ร่างกายข้างในใจก็คืออารมณ์ต่างๆที่ผุดขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆอย่าไปยินดียินไายกับสิ่งต่างๆแล้วใจจะว่างจะเย็นจะสบายจะสงบไปตลอดจะมีความสุขไปตลอดได้รับรางวัลที่หนึ่งเลย คำถามต่อไปจากคุณเนโกจังกราบนมัสการพระอาจารย์จากคำพูดที่ว่าสวดปนเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคำกล่าวนี้เป็นเรื่องจริงไหมเจ้าคะการสวดมนต์ก็เป็นการทำใจให้สงบในระดับหนึ่งแต่สู้การภาวนานั่งดูลมหายใจหรือพุโทโธไม่ได้สงบไม่เท่ากันก็เลยเป็นเหมือนยาธากับยากิน ยาทานนี่มันสู้ยากินไม่ได้ยากินมันมีประสิทธิภาพกว่ายาธาอันนี้ก็เหมือนกันอ่านสวดมนต์ก็จะได้ความได้สติได้ความสงบขั้นระดับต้นๆคือไม่ฟุ้งซ่านแต่ไม่นิ่งไม่รวมเป็นหนึ่งจะให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้ต้องภาวนา คำถามจากคุณเศรฐวุฒิกราบนมัสการพระอาจารย์ครับอน า, านาปนสติต่างจากกรรมฐานอย่างไรและอนิสงส์ต่างกันแค่ไหนครับอนาปานาสตินี้เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งกรรมฐานนี้มีอยู่40ชนิดด้วยกันมอน า, านาปนสตินี้เป็นหน่งใน40สของกรรมฐานที่เราใช้เป็นอารมณ์กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบ พุทธานุสติก็คือคำบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งการพิจารณาความตายอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งการดูอาการสามสิบสองของร่างกายก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึงใช้ได้การเจริญบทเมตตาภาวนาก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างที่จะทำให้ใจสงบได้มีหลายวิธีด้วยกัน กรรมฐานนี้เป็นวิธีต่างๆที่เราจะเอามาใช้ในการทำใจให้สงบคมถามจากคุณบอแบงค์สรายุกราดนมัสการพระอาจารย์ครับขอทราบวิธีเจริญสมาธิขณะทำงานในชีวิตจริงครับเช่นเป็นหัวหน้างานเจอคนดีบ้างไม่ดีบ้างบา ง, บางครั้งเกิดความหมงุดหงิด เราก็ต้องมีสติอยู่กับงานของเราอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะมีความว่างมีความเย็นแล้วถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนเราก็ต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนี้บางทีเราก็ควบคุมบังคับเขาได้บางทีเราก็ควบคุมบังคับเขาไม่ได้ ถ้าควบคุมมังคับเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยถ้าควบคุมได้ก็ควบคุมไปใจเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราพยายามจะควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ใจเราจะทุกข์เดยเราต้องรู้ว่าเราควบคุมเหตุการณ์นั้นได้รหรือเปล่าควบคุมคนนั้นได้รหรือเปล่าสั่งให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้รหรือเปล่าถ้าสั่งไม่ได้ก็อย่าไปสั่งอย่าไปอยากแล้วใจจะไม่ทุกข์ ต้องปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันเรื่องสุดวิสัยเรื่องเหนือความสามารถของเราคําถามจากคุณสิทธิชัยกราบนมัสการพระอาจารย์ครับมีวิธียังไงควบคุมจิตให้สงบให้ไม่อยากไม่เกิดกิเลสบ้างครับก็ต้องใช้สติใช้ปัญญานี่แหละขั้นต้นก็ต้องใช้สติก่อนค่อยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ เพราะถ้าเราไม่คิดความอยากมันก็จะไม่เกิดแต่มันก็จะควบคุมได้เป็นพักๆเวลาที่เรามีสติเวลาไหนที่เราเผลอสติความคิดความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าเราอยากจะกำจัดความคิดความอยากให้หมดไปเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าคิดไปในทางความอยากเราจะเป็นทุกข์เพราะพออยากได้อะไรแล้วใจจะกะังวนกวายกระสับกระสายจะหงุดหงิดนาคาญใจ ถ้าเราไม่ไปคิดไม่ไปอยากได้ความรู้สึกกังกวลกวายกระสับกระส่ายก็จะหายไปถ้าเราหยุดความอยากได้เรื่อยๆต่อไปถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดกําลังคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเรามีความห่วงใ ย, ยคนในครอบครัวมากๆแล้วเกิดทุกข์ในใจเราแล้วคิดว่าเขามีบุญ และกรรมของเขาอย่างนี้ถูกต้องไหมค ะ, ะเราก็ต้องคิดว่าทุกคนมีบุญมีกรรมมีบุญมีบาปเขาจะดีจะชื่วเขาจะอยู่สั้นอยู่นานหรือไม่อยู่นี่เป็นเรื่องของบุญของบาปเขาไปเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาดีอยากให้เขาอยู่ไปนานๆแล้วพอเขาไม่ดีหรือไม่ได้อยู่นานเราก็จะทุกข์จะเสียใจ คำถามจากคุณอ้อบางครั้งรู้สึกโกรธเร็วมากสติตามไม่ทนันความโกรธพอรู้ตัวก็โกรธไปแล้วแต่ก็พยายามตั้งสติแล้วความโกรธก็ค่อยๆลดลงทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็ถูกต้องในระดับหนึ่งถ้าอยากจะให้ไม่เกิดเลยนี่เราต้องใช้ปัญญาต้องรู้ว่าสาเหตุของความโกรธนี่เกิดจากความอยากของเรานี่เอง เราอยากให้เขาทำอะไรพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำอะไรเราก็จะไม่โกรธเขาฉะนั้นพยายามควบคุมความอยากไว้อย่าไปอยากให้เขาทำอะไรให้กับเราอย่าไปหวังอะไรจากใครพูดง่ายๆถ้าไม่หวังอะไรจากใครแล้วเราจะไม่โกรธเราจะไม่เสียใจที่เราโกรธหรือเสียใจก็เพราะเราไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นทาอย่างนี้พอเขาไม่ทาเราก็เลยโกรธ คำถามจากคุณพี่โกเรียนถามพระอาจารย์ทำเหตุอย่างไรครับถึงมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติภาวนาครับก็จะต้องมีสติเป็นตัวนาสตินี้สาคัญมากต้องพยายามฝึกสติให้จิตรู้เฉยๆให้รู้ว่ากำลังทำอะไรหรือให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไป ถ้ากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำถ้านั่งเฉยๆก็ให้ดูดูลมหายใจเข้าออกไปพยายามควบคุมความคิดอย่าให้ปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปือ่อยคิดเรื่อยเปื่อยแล้วจะทำให้จิตเราฟารุ้งซ่านจิตเราทุกข์ถ้าเราควบคุมได้ควบคุมความคิดได้จิตเราจะสงบจะเย็นจะสบายมีความสุขดนั้นต้องฝึกสติให้มากๆ พอลืมตาขึ้นมาก็ฝึกได้เลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปก่อนเลยถ้าไม่รู้จะใช้วิธีไหนฝึกสติก็ใช้พุทโธเนี่ยง่ายดีพุทโธไปเข้าห้องน้ําก็พุทโธอาบน้ําก็พุทโธล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธกินข้าวก็พุทโธเดินทางไปทํางานก็พุทโธเน่ยอพาให้พุทโธไปส่งเราถึงที่ทํางานพอเวลาทํางานก็หยุดพุทโธ ใช้ความคิดกับงานที่เราทำพอทํางานเสร็จจะกลับบ้านก็เอาพุโทโธพาเรากลับบ้านอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีสติพอนั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายคำถามจากคุณธีระชาติกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เพื่อนเคารพและศรัทธาพระพิสุกรูปหนึ่ง แต่ดูวิธีการปฏิบัติตัวของพระท่านนั้นแล้วเหมือนไม่ได้อยู่ภายใต้วินัยสงฆ์แล้วเพื่อนนำรูปและสายสินจากพระรูปนั้นมาฝากผมควรเก็บอย่างไงครับก็เก็บไว้เฉยๆก็แล้วกันวางไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ก็เป็นของอย่างหนึ่งเท่านั้นเองคำถามจากคุณศิริวัฒน์ขอโอกาสครับ ผมทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าในโรงงานแปลรูปสุกรแห่งหนึง่งทำหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานจะถือว่าผมมีส่วนในการฆ่าสัตว์หรือไม่ครับถ้าเราได้รับเงินเดือนมันก็มีส่วนนะเพราะว่าเงินเดือนนี่ก็ได้จากการเอาสัตว์ที่เขาฆ่าไปขายแล้วก็เอาเงินนี่มาจ่ายเราเราก็เป็นถือว่าเป็นผู้มีการสนับสนุนในการทาให้สัตว์ต่างๆเหล่านั้นตายไป เงินก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ไม่เหมาะสมไปทํางานที่โงรงพยาบาลดีกว่าโงรงพยาบาลจะช่วยรักษาคนหรือไปทําที่ร้านอาหารที่เ้าผลิตอาหารทำอาหารที่เอาเอาถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไม่ได้ไปสัง่งไม่ได้ไปทําให้เขาตายเองแต่ทางที่ดีหลีกเลี่ยงเรื่องที่จะทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้นะ่ะดีที่สุดะ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่บางทีมันก็ยากเพราะทุกอย่างวันนี้มันพันกันไปหมดมีทางเดียวก็ไปบวชไปบวชนั้นก็ค่อนข้างจะปลอดภัยจากเรื่องทำอาชีพที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้องขามีคำถามจากคุณสยามกราบนมัส ก, การองค์อาจารย์ครับถ้ามีคนอธิฐานขอพรเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้เบียดเบียนคนอื่นเทวดาจะให้พรใหม่ครับคือการขอนี้มันไม่ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้สิ่งต่างๆแม้จะขอจากเทวดาก็ตามเทวดาก็ให้เราไม่ได้อะองต่างๆนี้ต้องเกิดจากการกระทำของเราเท่านั้นเราถึงจะได้ถ้าอยากจะได้อะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราทากันไม่ให้ขอกันขอไม่ได้มันจะขอ ให้เทวดาไปทําไม่ดีก็ไม่ได้ขอให้เทวดาไปทําดีก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องของวิสัยไม่อยู่ในวิสัยเหมือนกับขอให้ฝนตกหรือไม่ตกนี่ก็แบบเดียวกันขอไม่ได้ฝนจะตกเราก็ขอให้มันไม่ตกไม่ได้ฝนไม่ตกจะขอให้มันตกก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่อยู่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการขอการขอนี่อาจจะขอได้จากคนที่เรารู้จัก แต่ก็ไม่ได้ว่าจะขอได้ทุกครั้งนช่ไหมขอบ่อยๆเขาเบื่อเขาก็ไม่ให้เราอยู่ดีงั้นอยากขอดีกว่าัทำเองดีกว่าอยากจะได้อะไรก็ไปหามาเองแล้วจะไม่ผิดหวงังคําถามจากคุณบอแบงค์สรายุ <c oughs> กราบนามัสการพระอาจารย์ครับขณะนั่งสมาธิภาวนาพุทโธแต่พอเริ่มนิ่งสงบมีความคิดเรื่อยเปื่อยเข้ามา พอรู้ก็หายดับไม่คิดแต่พอสักพักคิดอีกเรื่องใหม่ให้สลัดความคิดทําอย่างไรครับก็ต้องภาวนาต่อไปแสดงว่าไม่สงบจริงถ้าสงบจริงจะไม่มีความคิดเข้ามาถ้ามีความคิดก็แสดงว่าความสงบหายไปเราก็ต้องภาวนาใหม่อย่าปล่อยให้ความคิดเข้ามาหมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามมั่งไหมวันนี้ ถามได้นะพาะไม่ถามเดี๋ยวจะให้กลับบ้านนะเพราะก็เวลาพอสมควรดินฟ้าอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถามมาก็มากพอสมควรแล้วถ้าอย่างนั้นก็จะขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ก็ให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไป พ, พิ จ, จนะิตพิจารณาไปปฏิบัติ